พุทธกนิกายหมวดที่ห้าสุตตนิบาตประชุมสูตรสั้นๆเป็นคาถาล้วนมีร้อยก้วปนบ้างเล็กน้อยมีทั้งหมดเจดสิบสูตรแบ่งเป็นห้าวคดังต่อไปนี้อุรควัคที่หนึ่งหนึ่งอุรคสูตรพระสูตรเปรียบด้วยงูลอกคราบ เ่าถึงภิกษุผู้ละกิเลส ช, ชั่วร้ายต่างๆได้เช่นราคะตัณหามานะวิตกเป็นต้นย่อมละฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นคือพระนิพพานได้เหมือนงูลอกคราบเก่าทิ้งไปฉะนั้น 2. ทธนิยะสูตรเป็นคำโต้ตอบระหว่างคนเลี้ยงโคชื่อธนิยะกับพระพุทธเจ้า ถ้อยคำโต้อตอบน่าสนใจในธนิยะมองโลกในแง่โลกียะหรือคิดอย่างชาวโลกแต่พระพุทธองค์ทรงมองในแง่โลกุตระเช่นนายธนิยะเชิญให้ฝนตกลงมาเพราะตนได้ทำหน้าที่เสร็จแล้วเช่นมุงหลังคาบ้านดีแล้วนำเชื้อไฟมาเตรียมไว้แล้วฝนตกก็ไม่กลัวพระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงเปิดหลังคาบ้านไว้แล้วหมายถึงละกิเลสได้ดับไปแล้วฝนจะตกก็เชิญตกลงมาเถิดเป็นต้น 3. คักขวิสานสูตรกล่าวถึงประโยชน์ของการเที่ยวไปคนเดียวของภิกษุเหมือนนอแรตซึ่งมีอันเดียวด้วยคาถาที่มีคำและความไพเราะกินใจเช่น คนที่วางอาชญาในสัตว์ทั้งปวงได้แล้วเว้นการเบียดเบียนจะพึงปรารถนาบุตรและสหายแต่ที่ไหนพึงเที่ยวไปคนเดียวเหมือนนอแรดเมื่อมีความเกี่ยวข้องกันความเย่อใหญ่ก็ย่อมมีทุกย่อมเกิดตามมาผู้เล็งเห็นโทษควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนนอแรดสี่ กสิภาระววชสูตรว่าด้วยพรามชาวนาพรามกล่าวว่าคนทั้งหลายเขาไถานาหวานกันพระพุทธองค์ทรงไถหวานกับเขาหรือไม่พระองค์ตรัสว่าพระองค์ก็ทรงไถละหวานพืชเช่นกันศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาเป็นแอกและไถหิริเป็นงอนไถ ใจเป็นเชือกสติเป็นผานสำหรับไถนาเท่ากับบอกว่าวิธีการทำนาแบบนี้เป็นการทำนาแบบพุทธนั่นเอง 5. จุนทะสูตรพระพุทธเจ้าตอบคำถามของนายจุนทะกามารบุตรเรื่องสมณะสี่ประเภทคือมัคคชินะผู้ชนะกิเลสได้ด้วยมัค มัคคเทศกะผู้ชี้ทางมัคคะชีวีผู้ดำรงอยู่ในมัคคือผู้ปฏิบัติตามมัคมักคะทูสีผู้ทำลายมัคคือไม่ปฏิบัติตามหลักอริยมัค 6. ปราาวสูตรทรงแสดงทางแห่งความเสริมไว้เป็นชุดชุดน่าศึกษาอย่างยิ่ง ทำนองเดียวกับทรงแสดงมงคลละสูตรทางแห่งความเสื่อมในสูตรนี้มีสิบสองประการเช่นรู้ชั่วชังธรรมะรักอสัตบุรุษไม่รักสัตบุรุษมักหลับชอบคุยขี้เกียจมักโกรธไม่เลี้ยงดูบิดามารดาเย่อหยิ่งเพราะชาติเป็นต้นเจ็ดวัสละสูตร ว่าด้วยคนถอยยี่สิบจำพวกเช่นคนมักโกรธลบหลู่คุณท่านมีความเห็นวิบัติมีมารยาเบียดเบียนสัตว์ยกตนขมท่านกู้เงินเขาแล้วพูดว่าไม่ได้เป็นหนี้จีปล่นชิงทรัพย์เป็นพยานเ็ดเป็นต้นแต่ละข้อล้วนเป็นลนักษณะของคนถอยโดยสมบูรณ์8 เมตสูตรว่าด้วยเมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันสูตรนี้ซ้ำกับที่กล่าวไว้ในกุธตะกะปาทะข้างตน้น 9. เหมะวัตสูตรสูตรนี้เป็นการโต้อตอบกันระหว่างสาตาคิรายักษ์กับเหมะวัตยักษ์และมีพุทธภาษิตตอนท้าย คำถามและคำตอบเรื่องโลกน่าสนใจคือสาธาคิรายั์ทูลถามว่าโลกเกิดขึ้นในอะไรทำความพอใจในอะไรโลกอาศัยอะไรและเดือดร้อนเพราะอะไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าโลกเกิดขึ้นในหกสิ่งอาศัยหกสิ่งเดือดร้อนเพราะหกสิ่งหกสิ่งนี้คือกามคุณห้ากับใจ สิอาละวกกะสูตรพระพุทธเจ้าทรงปราบอาละวะกกยักดุร้ายลงแล้วได้ตอบคําถามยักษ์ในเรื่องต่างๆเช่นอะไรเป็นเครื่องปลื้มใจของคนตรัสตอบว่าศรัทธาอะไรที่คนประพฤติแล้วนําความสุขมาให้ตรัสตอบว่าธรรมะอะไรมีรสอร่อยกว่ารสทุกอย่างตรัสตอบว่าสัจจะ รากล่าวชีวิตเช่นไรว่าประเสริฐสุดตรัสตอบว่าชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคนจะได้รับเกียรติโดยวิธีใดตรัสตอบว่าสัจจะจะผูกมิตรอย่างไรตรัสตอบว่าการให้เป็นต้น 11. อวิชยสูตร บรรยายความน่าเกลียดน่าขยะแขยงของส่วนต่างๆของร่างกายอย่างละเอียดแล้วสอนไม่ให้ลุ่มหลงยึดติดในร่างกายอันน่าเกลียดนี้และทิ้งท้ายให้แง่คิดว่าผู้ใดพึงสำคัญเพื่อยกย่องตนหรือพึงดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากการมองไม่เห็นอริยสัจสิบสมุนิสูตร พันนาลักษณะของบุคคลที่เรียกว่ามุนีเช่นผู้ที่ตัดกิเลสที่เกิดขึ้นได้เพราะไม่ปลูกกิเลสขึ้นในใจอีกไม่ยอมให้มันไหลเข้าไปในใจอีกปราศจากกําหนัดยินดีไม่ก่อกรรมถึงฝั่งโน้นหมายถึงถึงจุดหมายปลายทางครอบงมสิ่งทั้งปวงรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงมีปัญญาไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวง หลุดพ้นเราะสิ้นตัญหาเรียกว่าเป็นมุนีจุลวัคที่สองสิบสามรัตนสูตรพันนาคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทำนองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในขุทกกปารทะสิบสี่อมคันทสูตรสูตรว่าด้วยกลิ่นคาว กล่าวถึงความชั่วร้ายทางกายวาจาใจเป็นกลิ่นดิบกลิ่นคาวไม่ใช่ของดิบของคาวในความหมายธรรมดาและกล่าวว่าการประกอบคุณงามความดีทําให้ปราศจากกลิ่นดิบกลิ่นคาวน่าสังเกตสูตรนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านามวัคคสปะในอดีตพระสังคีติกาจาร์นามาประมวลไว้ สิบห้าฮิริสูตรเป็นสูตรสั้นๆว่าด้วยคนที่ปราศจากฮิริถึงจะกล่าวว่าเป็นเพื่อนก็ไม่ควรนับว่าเป็นเพื่อนหรือเพื่อนที่พูดจาไพเราะแต่ไม่เกื้อกูลแก่เพื่อนไม่ทำตามพูดคอยหาความผิดเพื่อนหวังความแตกแยกไม่ควรครบเพื่อนเช่นนั้น 16. หมงคลละสูตร ว่าด้วยมงคลชีวิตสาสิบปประการข้อความซ้ำกับที่กล่าวไว้ในขุทกับปาทะ 17. เจ็ดสุจิโลมสูตรสุจิโลมยักษ์ทูลถามปัญหาว่าราคะโอสะโมหะความยินดีความไม่ยินดีความกลัวความตรึกเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ทั้งหมดเกิดจากอัตภาพร่างกายนี้ทั้งนั้นผู้ใดรู้และบรรเทาได้ผู้นั้นข้ามโอกคสงสารได้สิปธรรมจริยสูตรว่าด้วยการประพฤติ ธ, ธรรมและการประพฤติปรมาจั๋์ว่าเป็นแก้วอันประเสริฐที่สุดคนที่มาบวชแล้วประพฤติตนไม่ดีเป็นมนุษย์แปบมนุษย์อยากเหยือ่อมิใช่ส ม, มณะ ควรขจัดบุคคลเช่นนั้นออกไปซะผู้ที่อยู่อย่างบริสุทธิ์มีปัญญารักษาตนพึงทำที่สุดทุกได้สิบเก้าพรามณธรรมิกสูตรทรงสแสดงธรรมแก่พระมหาศาลหลายคนชาวเมืองโกศลที่ไปสนทนากับพระองค์ชี้แจงประเพณีข้านิยม และธรรมะของพวกพราหมณ์ที่มีมาแต่โบราณ น, นั้นดีทำให้สังคมพราหมณ์มีความสงบร่มเย็นแต่ต่อมาความโลภได้ครอบงำจิตใจพวกพราหมณ์จึงบัญญัติมหายันห้าอย่างมีการฆ่าสัตว์บูชายันเป็นต้นทำให้สังคมมีการเบียดเบียนกันทั่วไปความเสื่อมก็มีมา 20. สนาวาสูตร รัดสอนว่าคนที่เป็นอาจารย์สอนคนอื่นต้องมีคุณสมบัติและคุณธรรมเช่นเป็นพระหูสูตรเป็นที่เคารพบูชาของอันเตวาสิกหรือลูกศิษย์มีวิ จ, จรารณญาณปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมฉลาดรู้แจ้งเป็นต้นเปรียบเหมือนคนที่ช่วยให้คนอื่นข้ามน้ำที่ไหลเชี่ยวได้ตนเอง ต้องมีความฉลาดพร้อมมูลในการพายการพ่อและรู้วิธีการนำเรือฝ่ากระแสน้ำนำคนข้ามฝั่งได้ฉะนั้น21กิ่งศีละสูตรว่าด้วยการตอบปัญหาที่พระสาวรีบุตรทูลถามว่าคนพึงประพฤติเช่นไรมีปกติอย่างไรพอกพูนกรรมชนิดใด จึงจะดำรงอยู่โดยชอบและบรรลุประโยชน์อันสูงสุดพระองค์ทรงแนะนำให้นอบน้อมต่อวุธิบุคคลเข้าหาครูฟังธรรมตามการยินดีในธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะรู้การวินิจฉัยธรรมะละกิเลสต่างๆเช่นความกระสิบรำพันคือพูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์มารยามานะแข่งดีเป็นต้น 22. อุทานสูตรสอนให้ขยันลุกขึ้นหมั่นศึกษาเพื่อสันติไม่ให้มัวนอนหลับประมาทปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปเปล่า 23. ราหูลสูตรสูตรนี้แสดงแก่ราหุลหลังจากเธอได้อุปสมบทแล้วทรงสอบถามว่าราหุลเธอไม่ดูหมิ่นบัณฑิต ยังนอบน้อมต่อผู้ชูแสงสว่างเพื่อมวลมนุษย์อยู่หรือไม่พระราหุนกราบทูลว่าได้ปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอแล้วส่งประทานโอวาทให้เธอละกามาคุณคบกัลยาณมิตรรู้ประมาณในโภชนะละตันหาในปั จ, จัยสีสำรวมในพระปาติโมกและอินสีห้าอย่างมีสติในกายเจริญอสุภาัญญาละมานะ ยีวังคีสัสูตรพระนิโครทะกับปะพระอุปชาของพระวังคีสะนิพพานพระวังคีสะทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์อุปชาของท่านนิพานหรือไม่พระพุทธองค์ยืนยันว่านิพานแล้วพระวังคีสะคงหมายความว่าอุปชาของตนมรณะภาพอย่างคนหมดกิเลสสิ้นเชิงหรือไม่ คงไม่ได้หมายถึงตายหรือไม่เพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าอุปชาของท่านตายไปแล้วยี่สิบห้าสัมมารปริพานิยสูตรสูตรว่าด้วยการเป็นปริพาชกที่ดีปริพาชกโดยพยัญชนะหมายถึงผู้เที่ยวไปท่องไปต่อคำถามว่า ภิกษุทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ท่องเที่ยวไปโดยชอบพระพุทธองค์ตรัสว่าได้แก่คนที่ละกามก้าวลวงพบคือความมีความเป็นกำจัดความสอเสียดความโกรธและความตรณีเป็นต้น 26. ธรรมมิกสูตรตรัสแก่ท ร, ร ม, มิกะอุบาศ อุบาสกทูลถามว่าบรรพชิตและคารฤหัดทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ยังประโยชน์ให้สำเร็จพระองค์ตรัสว่าบรรพชิตต้องเสษยอิริยาบถอันสมควรแก่บรรพชิตคือยืนเดินนั่งนอนให้เหมาะสมแก่เพศบรรพชิตเที่ยวบินทบาตในการกล่าวธรรมะอันประนีตไม่พึงกล่าววาจาสอเสียดอันเป็นเหตุให้ชวนทะเลาะ เป็นต้นส่วนเข้ารือหัสต้องมีศีลแปดครบทวน